ก็กลายเป็นสิ่งปฏิกูลเหลือประมาณเกินกว่าจะฝืนรับได้ลวงคอมองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิ้นเรากับป่าชาผีดิบมาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วนไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลและป่าชาสเสลยนอกจากเบื่อหน่ายอาหารแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายตัวเองและเครื่องนุ่งผมที่รับนอนต่างๆเบื่อหน่ายความเป็นอยู่เบื่อหน่ายโลกทั้งมวล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 สติปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นต่อการปฏิบัติในธรรมทุกขั้นไม่ควรให้ห่างไกลการปฏิบัติแบบสบายเกินไปไม่ละเอียดทีท่วนในกิจที่ควรทำอาจได้รับความสลดสังเวชและสมเพสเวทนาจากผู้อื่นเพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตนโดยขายการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนนําออกใช้ก็ได้การปฏิบัติและผลที่ได้รับแทนที่จะเด่นเลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบคอบเข้าทําลาย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 โลกเขาเรียนและสอนเป็นชั้นเป็นภูมิตามกฎและความนิยมเวลาสอบได้ต้องมีประกาศนิยบัตเป็นเครื่องแสดงและรับรองยืนยันตามชั้นที่สอบได้เพื่อความสะดวกในการงานจากวิชาที่สอบได้และเกียรติยศชื่อเสียงทางวิสัยของโลกที่นิยมกันแต่ธรรมปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทําแบบโลกเช่นสอบได้ให้คะแนนกันว่าได้สําเร็จขั้นนั้นภูมินั้น หรือได้สมาธิสมาบัตริอรหัตตมักอรหัตผลย่อมขัดต่อจารีตประเพณีของผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมกลายเป็นโรคและยาปโปลนยิ่งกว่าโรคเสียอีกแทนที่จะน่าอนโมทนาในกุรยาที่แสดงออกแต่กลับทําให้ผู้อื่นเอือมระอาไปตามๆกันเพื่อความราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติมุ่งอัดมุ่งทำเป็นที่อบุญมั่นใจแก่ตนควรจะเป็นไปในทางสงบแม้จะสําเร็จจนถึงขั้นพระอรหัตผล ก็รู้โดยทางสันติโกหรือปัจจตังเวทิโปวินยูหิแห่งความบริสุทธิ์ใจไม่แสดงออกแบบโลกโลกอันเป็นความอยากหิวโหยย่ยอมเป็นการเทริเดเกียรติทั้งแก่ตนและพระศาสนาอย่างสุ ข, ขุมนุ่มนวลไม่แฝงไปกับความกระเทือนน้ำร้นฝั่งซึ่งสุดท้ายก็คือโลกเต็มเปอร์เซนต์ไม่มีธรรมของจริงตามคากล่าวอ้างแม่กรพีติดกันที่เรียกว่าธรรมสมเพศเว ท, เวทนาท่านผู้บรรลุธรรมแล้ว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 อวิชาว่าขณะจิตจะหลุดพ้นจากอวิชชาจริงๆนั้นจิตปฏิบัติต่ออวิชชาอย่างไรจึงหลุดพ้นไปได้ผู้ที่หลุดพ้นอวิชชาไปแล้วย่อมตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้แม้ผู้กําลังจะก้าวจากภูมิอวิชชาอยู่แล้วก็เข้าใจความหมายไปโดยลําดับหรืออ่านเข้าใจและก้าวล่วงไปตามอุบายที่ท่านให้ในยะในขณะนั้นก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่หลุดพ้นจะอธิบายไม่ถูกกับจุดของอวิชชาอย่างแท้จริงเลย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 แต่ไม่รู้ตัวจริงของอภิชาและตัวจริงของอภิธรรมเป็นไหนๆนอกจากทั้งเรียนทั้งรู้จริงแล้วแม้ไม่มีใครบอกก็เข้าใจเพราะผู้ไม่เข้าใจกับผู้เข้าใจทำเหล่านั้นอยู่ในฉากเดียวกันจึงหมดทางอยากรู้อยากเห็นว่าทำเหล่านั้นเป็นอะไรต่อไปอีกเช่นเดียวกับเจ้าของโคอยากพบตัวโคแล้วติดตามรอยโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคย่อมหยุดตามรอยโคในขณะที่พบตัวโคทันทีฉะนั้น เมื่อท่านอ่านมาพราะโวหารป่ากรุณาให้อภัยผู้เขียนซึ่งเป็นป่าเอามากๆด้วยที่เพอ้อไปไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะภายในตัวพระป่ามีแต่ทำเพอ้อจนหน้าเปลี่ยนศีสักไม่ความมีธรรมที่หน้าเพลินแฝงอยู่เลยกรุณาปฏิบัติด้วยตัวเองจนรู้ขึ้นกับตัวนั่นแหละจะเป็นที่แน่ใจและภาคภูมิยิ่งกว่าการอ่านการฟังจากผู้อื่นเพราะการทราบจากคําบอกเล่าหรือตำรับตารา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 ท่านว่าท่านกับหญิงคนนั้นมีความรู้สึกต่ออาหารคล้ายเคืองกันคือพอพิจารณาเป็นปฏิกูลทั้งอาหารใหม่ที่กําลังผสมอยู่ในบาด ท, ทั้งอาหารเก่าที่ผสมกันอยู่ภายในร่างกายและนําสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกันโดยถือภายในเป็นหลักยืนตัวแห่งความปฏิกูลเมื่อพิจารณาหนักเข้าและเทียบเคียงกันหนักเข้าอาหารที่อยู่ในบาดค่อยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอาหารที่น่ารับประทานไปโดยลําดับ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 เป็นได้ต่างๆไม่มีประมาณและเพิ่มความระมัดระวังต่อการพิจารณาขึ้นอีกเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้อุบายพริกแพลงหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสารพันในจนเป็นที่แน่ใจต่อ ง, งานานั้นๆไม่ให้ผิดพลาดไปได้จิตคนทั้งปันฉลาดแยบคลายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเมื่อท่านมาพักอยู่วัดหนองผือก็มีหญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านจึงได้อธิบายถือฟังในเวลานั้น บรรดาพระและเนนก็พลอยได้ฟังธรรมพิเศษจากท่านโดยยกท่านขึ้นเป็นต้นเหตุแห่งการแสดงว่าเรื่องธรรมนองที่โยงเป็นนี้อาตมาเคยเป็นมาแล้วและเข้าใจกลมัญญาของกิเลสประเภทสวมรอยหรือประเภทบางงาามาแล้วถ้าเทียบก็นีแลคือมหาโจรระดับคนชั้นผู้ดีซึ่งแจงตัวสวยงามโกรูรากับท้าสกเทวราชและนาสุชาดามาจากแดนสวรรค์เดินผ่านผู้คนสังคมชั้นไหน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 และจับตัวมาลงโทษได้นอกนั้นมารูปศีรษะอาจนเกลียงไม่มีผมหรือค้างอยู่เลยกิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั่นแหลมันคอยแทรกเข้ากับความปฏิกูลแห่งธรรมที่ปัญญายัางไม่ถึงจนได้ส่วนความมุ่งหมายของธรรมที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลนั้นเพื่อตัดความโลภความหลงในอาหารซึ่งเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้กังวลหมนหมองต่างหากไม่ได้เป็นปฏิกลเพื่อส่งผลให้คนอดตายและฆ่าตัวตาย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 ไม่ควรแยกจากกันโดยการไม่ยอมรับประธานอาหารซึ่งเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบางเงาส่วนผู้พิจารณาคือใจก็เป็นส่วนหนึ่งทางหากจากสิ่งปฏิกูลนั้นๆไม่ได้มีส่วน8เปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าวพอจะให้เกิดความเบือเ่อหน่ายเบียดชั่งขนาดลงกันไม่ได้ธรรมคือความพอดีทุกแขนงของธรรมการพิจารณาทั้งหลายไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใดก็เพื่อลงสู่ธรรมคือความพอดีไม่ปีนเกลียว การพิจารณาปีนเกลียวจนอาหารขับร่างกายและขับใจลงกันไม่ได้นั้นคือเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่สงสัยว่าเป็นสิ่งที่ควรติดใจและดําเนินต่อไปต้องพิจารณาจนความปฏิกูลทั้งข้างในข้างนอกลงกันได้ใจเป็นกลางอยู่สบายนั่นแลจึงถูกกับความมุ่งหมายของธรรมไม่ลําเอียงดังที่กําลังเป็นอยู่เวลานี้ความปฏิกูลก็เป็นธรรมเครื่องแก่ความลืมตัวที่ไปสําคัญว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้ อ ร, อร่อยน่ารักน่ารับประธานนั่นเองเมื่อพิจารณาจนจิตผ่านความลืมตัวขั้นนี้ไปแล้วใครจะไปหาหรามข อ, ขอคอยเอาความปฏิกรุณไปนิพพานด้วยเล่าเพราะเหล่านี้เป็นเพียงทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นธรรมให้เกาะเกี่ยวข้องแหวกขับสิ่งใดในสมุติเมื่อจิตติดความสวยงามก็เอาธรรมปฏิกรุณมาแก้จิตติดช้างก็เอาธรรมเมตตามาแก่ติดโลค ก, ก็พิจารณาความเห็นแก่ตัวจัดมาแก้กันติดหลงคําว่าหลงนี้ลึกซึ้งมาก แต่จะอธิบายย่อๆพอได้ความเอาโอปัยิกะธรรมคือพิจารณาดูใจตัวลุ่มหลงกับสิ่งเกี่ยวข้องอันเป็นอุบายรู้ตัวและแก้กันไปโดยลำดับติดโกรธก็พิจารณาตัวโกรธที่กำลังเป็นไฟเผาตัวอยู่ภายในก่อนจะระบาดออกไปเผาผู้อื่นจนเห็นโทษแห่งความโกรธของตัวเมื่อพิจารณาแก้ถูกจุดสิ่งเหล่านั้นค่อยๆเบาลงระดับไปเองเพราะไม่มีเครื่องส่งเสริมมีแต่เครื่องตัดรอน กิเลสจะได้อาหารที่ไหนมาเลี้ยงให้อ้วนหมีผีมันสืบอายุต่อไปเมื่อไม่มีใครยินดีด้วยช่วยประคับประคองมันต้องตายแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของแน่นอนไม่ต้องสงสัยเคยเห็นไม่ใช่หรือพระประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านส่นงเสริมหรือท่านข่ามาเล่าผลของท่านที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างอัศจรรย์ไหมใครบ้างในโลกเสมอเหมือนท่าน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 มองมาจากทิศใดก็ให้เห็นแต่กองสมบัติของตนคนเดียวแม้สถานที่จะเต็มไปด้วยกองสมบัติจนเจ้าของไม่มีที่อยู่หลับนอนก็ยอมทนทุกเอาขอแต่ให้มีให้ได้อย่างใจกิเลกก็เป็นพอสามีพันยาหญิงชายมีเท่าไรในโลกก็อยากเที่ยวว้านมาเป็นของตัวคนเดียวไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวเพราะจะผิดใจกิเลตัวมหาโลโพที่เป็นจอมโลกบนหัวใจว่าอย่างไรจะยอมอดตายไปกับความปฏิกูลจําพวกสวมรอย หรือจะยอมรับประทานไปตามความพอดีคือทมด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องแบ่งสรรปันส่วนอาตมาเคยเป็นมาแล้วและเคยรบจนเห็นดำเห็นแดงกันมาแล้วจึงกล้าพูดอย่างไม่ไอายและไม่กลัวใครจะว่าบ้าหรือว่าอะไรทั้งสิน้นนี่แหละคือความรู้แฝงธรรมจงทําความเข้าใจไว้เสียแต่ปัตนีนักภาวนาที่เกิดความรู้ความเห็นไปต่างๆบางรายที่เป็นขึ้นในแง่ธรรมอื่นๆไม่มีผู้เตือน จนน่าสมเพชเวทนาของพาหิรชนและชาวพุทธด้วยกันก็เพราะความรู้ประเภทนี้นี่แหละนี่ยังดีมีผู้เตือนไว้ก่อนยังไม่ถึงขนาดยอมอดตายหรือร้องทะโกนว่าเบื่ออาหารเบื่อร่างกายของตัวเบื่อโลกที่เต็มบปด้วยของปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดที่นอนหมอนมุ้งส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วพิภพความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มีแต่เป็นขึ้นเพราะสัญญาความสําคัญหลอกลวงตน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 การธรรมวั ส, สดมนต์ของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นกิจนี้คล้ายกับเป็นขนบธรรมเนียมที่ท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นพาบำเพ็ญมาคือวันปกติธรรมดาท่านไม่นับที่มีการประชุมไหว้พระสวดมนต์เลยจะมีเฉพาะวันอุโบสถปาธิโมฆ์เท่านั้นที่ท่านพาธรรมวัดก่อนลงอุโบสถเป็นประจำทุกอุโบสถวันธรรมดาแม้จะมีการประชุมอบรมพอถึงเวลาพระมรวมกันพร้อมแล้ว ท่านก็เริ่มทำบรรยายเป็นภาคปฏิบัติไปเลยทีเดียวตอนก่อนหรือหลังจากการอบรมท่านที่มีข้อสงสัยก็เรียนถามท่านได้ตามอธัธยาศัยพอถามปัญหาจบลงท่านก็เริ่มชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจหลังจากการอบรมถ้าไม่มีปัญหาสอดแทรกขึ้นมาต่างก็พร้อมปันกราบเลิกประชุมและไปสถานที่อยู่ของตนเท่าที่ทราบมาที่ท่านไว้นัดประชุมธรรมวัดชวเช้าเย็นนั้น ท่านประสงค์ให้พระเอ็นทำวัดละสวดมนต์ตามอธัธยาศัยโดยลาพังจะสวดมากน้อยหรือถนัดในสวดใดและเวลาใดก็ให้เป็นความสะดวกของแต่ละรายไปดังนั้นการทำวัสวดมนต์ของท่านจึงเป็นไปโดยลําพังแต่ละรายตามเวลาที่ต้องการและเป็นภาวนาไปในตัวเพราะความระลึกอยู่ภายในอย่างเงียบไม่ได้ออกเสียงดังเช่นทำด้วยกันหลายคนบางองค์ท่านสวดมนต์เก่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มี ท่านว่าท่านเพลินไปกับบทธรรมที่สวดนั้นๆกว่าจะจบสูตรที่สวดในคืนหนึ่งหนึง่งจึงกินเวลานานท่านสวดตามความถนัดใจในสูตรต่างๆทั้งสูตรสั้นสูตรยาวสมัยท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านชอบสวดมนต์มากและสวดทีละนา น, นาขณะสวดจิตก็ไม่ได้กังกวลไปกับอะไรมีความเพลินเพลินไปกับบทธรรมที่สวดจนจิตสงบเย็นไปในเวลานั้นท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านสวดมนต์เก่งแต่ไหนแต่ไรมา จนกระทั่งหมดความสามารถที่จะสวดได้ในเวลาป่วยหนักขณะที่ท่านเริ่มสวดจะได้ยินเสียงพุ่มๆเบาๆเรื่อยไปไม่ขาดวักขาดตอนจนจบการสวดซึ่งเป็นเวลานานหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพักจำวัดซึ่งเป็นกิจประจำท่านจริงๆแต่ตกมาสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยคนฉลาดพระกรรมฐานทั้งท่านและเราซึ่งออกมาจากคนก็อาจจะฉลาดและเปลี่ยนแปล ง, ปงความคิดเห็นไปต่างๆ เช่นเปลี่ยนเป็นแบบสุกเอาเผากินก็ไม่มีใครทราบได้ดังนั้นการไหว้พระสวดมนต์อันเป็นสิริมงคลและความดีงามแก่ตนและผู้อื่นที่ครูอาจารย์พาดําเนินมาจึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยเห็นถึงของราชาล่าสมัยและบรนทอนความขี้เกยียจอ่อนแอที่กําลังพอกพูนบนหัวใจให้น้อยลงได้ซึ่งจะขาดความสุขประจํานิสัยที่เคยได้รับจากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประจําก็เป็นได้ส่วนท่านที่พยายามสะเกียติกาย ตามปฏิปทาที่ท่านพาดดเนินมาก็ขอเอทิดทูลไว้บนเสีนเกล้าสมความเมตตากรุณาที่ท่านได้อุตสาหอบรมสั่งสอนด้วยความเอ็นดูตลอดมาทั้งนี้พอทราบได้ในเวลามีท่านผู้ใดก็ตามประพฤติผิดพลาดทั้งภายในภายนอกขณะที่มาอยู่อาศัยใต้ร่มเงาแห่งความเมตตาของท่านจะถูกดูดาสั่งสอนไปตามกรณีไม่ปล่อยให้หมักดองไว้จนกลายเป็นไอเสียไปนานขนบธรรมเนียม หรือพิธีการต่าง ๆ, ๆเกี่ยวกับพระกรรมฐานขออภัยเรียนตามความจริงที่เป็นไปโดยมากพระกรรมฐานสายนี้รู้สึกจะคร่ำเครืออยู่มากเกี่ยวกับพิธีการหรือขนบธรรมเนียมต่างๆของสังคมดังนั้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาในงานพิธีต่างๆจึงอาจได้พบเสมอในความไม่สันทัดแจ็จเจนของพระกรรมฐานสายนี้ที่แสดงอาการเก้อเก้อเขินเขินอยู่ในพิธีนั้นๆเช่นในงานศพ ง, งานสวดมนต์ฉันชาเป็นต้น เวลาท่านถูงมิมนมาเฉพาะวงคณะพระกรรมฐานด้วยกันก็ดีมาสับปนกับพระอื่นๆที่ท่านมีความสันทั์ชัดเจนในพิธีนั้นๆก็ดีความระเกะระกะไม่น่าดูต่างๆจะมารวมอยู่กับพระกรรมฐานทั้งสิน้นบางทีท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาจทนอายแขกเรือทั้งหลายที่อุตสาหะเวลามาให้เกียรติในงานไม่ได้ก็มีเพราะท่านไม่เคยชินกับสังคมและพิธีการต่างๆว่านิยมกันอย่างไรบ้าง <N> เนื่องจากท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าพิธีและสังคมต่างๆที่ประชาชนนิยมกันอยู่แต่ในป่าในเขากับพวกชาวป่าชาวเขาซึ่งไม่ค่อยมีพิธีและขนบธรรมเนียมสําคัญสำคัญอะไรนักเวลาถูกนิมนต์มาในงานต่างๆในบ้านใหญ่เมืองหลวงจึงมักปฏิบัติไม่ถูกกับคาลเทศะที่โลกนิยมกันท่านไม่ทราบจะจับได้สายสินมือไหนจับพัดมือไหนชักบางสกุลมือไหนอย่างไรจึงจะถูกตามความนิยม บางครั้งท่านยังจับพัดเอาข้างในของพัดออกข้างนอกและเอาข้างนอกของพัดเข้ามาข้างในจนประชาชนและคณะลูกศิษย์ที่น่งดูอยู่ทนไม่ได้ต้องหันหน้าเข่าฟ้าก็มีพระอายแทนท่านส่วนท่านเองยังคงอยู่สบายและวางเฉยเราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ประชาชนทนดูไม่ไหวแทบมุดศรีรษะลงพื้นไปตามกันพระกรรมฐานท่านเป็นอย่างนี้เอง ผู้เขียนนี้ก็โตสําคัญที่ถูกนิมนต์ไปขายหน้าเจ้าภาพและคณะลูกศิษย์บ่อยที่สุดโดยมากในกรุงเทพที่ถูกนิมนต์มาในงานศพ บ, บ้างวิธีอื่นๆบ้างขอร้องมาให้นิมนต์มาเพราะจะมาขายหน้าลูกศิษย์เปล่าๆก็ไม่ฟังไปนิมนต์มาจนได้สุดท้ายก็ขายหน้าจริงๆด้วยแต่ก็ไม่ยอมเข็ดกันยังขยันไปนิมนต์อยู่เสมอเรื่องเช่นนี้แม้คณะลูกศิษย์พอจะทนอายแทนได้แต่อาจารย์เองก็ทนอายไม่ไหวจึงไม่อยากมา คิดดูก็เหมือนจับลริงป่าโยนเข้าในสังคมมนุษย์เราดีๆนี่เองจะสวยงามน่าดูที่ตรงไหนมีแต่จะน่าอายทั้งสองฝ่ายนั่นเองขณะโดนเอาโดนเอายังไม่จำจึงโดนบ่อยกระทั่งทุกวันนี้งานไหนงานนั้นเป็นไม่พ้นไปได้เมื่อคิดถึงหมู่เพื่อนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่อาจถูกนิมนต์มาในพิมาในพิธีต่างๆในเมืองหรือในกรุงจึงอดจะอายไว้ก่อนแต่นาเนินไม่ได้ อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าพระกรรมฐานสายนี้ถูกนิมนต์แล้วต้องเป็นทํานองดังกล่าวแน่นอนเพราะทราบเรื่องของการละกันได้ดีว่าคร่ำครึจริงๆเนื่องจากไม่ได้สำเนิยศึกษาทางนี้มาก่อนพอถูกนิมนต์ทีไรจึงต้องโดนเอาโดนเอาแทบทุกงานและทุกองค์ไม่ว่าแก่หรืออ่อนพรรษาบางทีเสร็จงานแล้วออกมาลูกศิษย์ฝาย่ายครวสงสารยังตามมากระซิบบอกว่าท่านทาไมทาอย่างนั้น น่าอายจริงๆแต่ท่านเองยังไม่ทราบว่าทําผิดอะไรเสียอีกจนเขาต้องกระซิบบอกว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทําอย่างนั้นต่อไปมันผิดเดี๋ยวเขาจะขโมยหัวเราเอาวันนี้ผมก็น่าชาไปบ้างเหมือนกันพอเห็นท่านทําซึ่งพระที่นีท่านไม่ได้ทํากันอย่างนี้พอไปทีหลังก็โดนอย่างได้อย่างหนึ่งเข้าอีกแล้วยิ่งกว่าเด็กเสียอีกไม่รู้จักจดจําบ้างเลยเรื่องเป็นอย่างนี้แล พระกรรมฐานสายนี้ที่ถูกทิ้มนต์เข้ามาในงานพิธีต่างๆแต่ทางวินัยอันเป็นระเบียบขนบธรรมเนียมของพระนั้นท่านรู้สึกปฏิบัติถูกต้องแม่นยำดีไม่ค่อยผิดพลาดเหมือนพิธีการต่างๆอันเป็นขนบธรรมเนียมที่โลกนิยมกันที่น่าชมท่านก็คือท่านไม่ถือเป็นอารมณ์ข้องใจบางทีก็พวกเดียวกันใส่ปัญหาหยอกเล่นกันเสอเองเวลามองไปเห็นองค์หนึ่งกำลังจับพัดหันรีหั น, หนขวางจับข้างในของพัดออกข้างนอก แล้จับข้างนอกเข้าข้างในตัวเองแล้วหลับตาให้ศีนเขาอยู่อย่างสบายวางเฉยเบกขาองค์ผู้มองเห็นเองอดขำไม่ได้โดยสุดวิสัยที่จะเตือนท่านเพราะอยู่ห่างไกลกันต้องทนอายและนั่งเฉยไปจนเสร็จพิธีเวลากลับออกมาจึงพูดหยอกเล่นกันว่าแหมวันนี้ทำเสียให้เต็มยศทิวนะผู้ทนดูแทบใจขาดตายส่วนท่านองค์นั้นไม่ทราบจึงถามว่าเต็มยศอะไรกันก็ท่านจับพัดหันหลังพัด ออกสู่แขกหันหน้าพัดเข้าสู่ตัวแล้วหลับตาให้สียนเฉยอยู่ได้จะไม่ให้ว่าเต็มยศก็รู้สึกจะใจดำน้ำพุนเกินไปก็จำต้องชมเฉยกันบ้างเพื่อสมศักดิ์ศรีกรรมฐานไงล่ะท่านองค์นั้นงงและยิ้มเล็กน้อยแล้วถามว่าอย่างนั้นจริงๆหรือก็ไม่ได้สนใจน่านึกว่าพัดแล้วก็จับยกขึ้นว่าไปเลยมิได้สะดุดใจคิดว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นด้านไหนอะไรกันนี่นี่แหละเรื่องกรรมฐาน มักจกขายหน้าอยู่ทุกแห่งทุกผลในงานพิธีต่างๆจะว่าขาย ก, ากันก็ยอมรับเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้ผู้เขียนก็เคยเป็นมาเสียยิ่งกว่าเคยเนื่องจากการสำเน็กศึกษาหนักไปคนละทางส่วนทางระเบียบวินัยแล้วท่านรู้สึกองอาจไม่ค่อยสะทกสะทานบรนไหวในสังคมทั่วไปเพราะท่านศึกษาและปฏิบัติอยู่เป็นประจำยิรยาบทส่วนขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆนั้นนานๆถึงจะมีครั้งหนึ่ง และม่อยู่ในขายแห่งความสนใจนักจึงมีการเคลื่อนคลาดบาทตาอยู่เสมอสำหรับผู้เขียนเคยโดนมาจนหน้าอับอายตะเขตดหลาบแต่ก็ยังไม่ไวที่จะโดนอยู่เรื่อยมาจนบนัดนี้พูดมาถึงนี้ก็ควรจะได้อ่านเรื่องกรรมฐานสิบบ้างพอทราบความเป็นไปของป่าและบ้านว่าต่างกันอย่างไรบ้างคือราวพศ 2476-2477 มีพระกรรมฐานองค์หนึ่งนับแต่บวชมา ท่านไม่เคยเข้าอยู่ในเมืองชอบบาเพ็ญอยู่แต่ในปา่าเรื่อยมาท่านไม่ได้เรียนและสอบเหมือนพระทั้งหลายเรียนเฉพาะกรรมฐาน5และอาคาร32กับอาจารย์แล้วก็เข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ากับอาจารย์และหมูกคณะโดยมุ่งมั่นทางสมาธิภาวนาเป็นที่ต่างเพราะอายุก็ร่วมเข้า40ปีแล้วกลัวสังขารจะไม่อํานวยไปนานอาจตายซะก่อนวันหนึ่งเพื่อนนักปฏิบัติด้วยการมาพูดคุยเรื่องพระกรรมฐานท่าโคนราชศีฟังว่า เวลานี้มีพระกรรมฐานมากผิดปกติสถานที่บําเพ็ญก็มีเยอะตามป่าและภูเขาแถบทิศใต้และตะวันตกของโคราชเช่นเขาพริกเขาใหญ่เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นที่สงัดวิเวกและสะดวกแก่การสมาธิภาวนามากพอเพื่อนเล่าให้ฟังท่านเลยคิดอยากไปจึงตกลงใจไปกับท่านองค์นั้นโดยเธอเองเป็นผู้นาทางจนถึงจุดที่หมายพอไปถึงโคราชก็เข้าพักที่วัดป่าสารวัน ซึ่งสมัยนั้นวัดวัดป่าสารวันเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆมีท่านอาจารย์สิงห์ขันทยาขโมเป็นเจ้าอาวาสตอนเช้าท่านก็ออกบิณฑบาตสายในเมืองกับพระที่นั่นเผอิญวันนั้นสัทธาญาติโยมห่อเม็ดอะไรใส่บาตรซึ่งท่านเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นมา ก, ก่อนนับแต่วันเกิดมาเพราะกำเนิดภูมิลำเนาเดิมท่านเป็นคนบ้านนอกทงางภาคอีสานอยู่แล้วจึงยากที่จะได้พบเห็นสิ่งดังกล่าวนั้น น่าแต่ขณะที่เขาเอาห่อเม็ดอะไรนั้นใส่บาด ท, ท่านแล้วทําให้เกิดความสงสัยข้องใจยอยู่ไม่ไวายเพราะขณะที่เปิดฝาบาดออกรับบาด ท, ทีไรจะปรากฏกลิ่นอะไรชุพิกลฉุนฉุนจ ม, มูกอยู่เสมอแต่ไม่กล้าปริปากพูดให้ใครฟังทําให้นึกสงสัยไปถึงความไม่ดีไม่งับต่างๆของสัทธา ญ, ญาติโยมว่าจะทําได้ลงคอเราหรือเราเป็นพระซึ่งปราศจากความอิจฉาเบียดเบียนใครๆตลอดศาส ท, ทั่วไปหมดแล้ว ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลิพานอย่างเดียวไม่น่าจะมาทําพระอย่างเราได้ลงคอฉรอจะมีพระบางองค์ที่ประพฤติตัวไม่ดีทําตัวให้เป็นที่รังเกียจของประชาชนก็ได้เขาจึงเกลียดชังและทําได้อย่างนี้เดินบินทบายก็ครุ่นคิดไปกลิ่นชุนฉุนนั้นก็เตะจมูกเรื่อยไปขณะเปิดฝาบาทเพื่อรับทยทานศรัทธาทุกระยะไปพยายามอดใจไว้ไม่แสดงอาการใดๆออกมาให้ใครทราบ เพนก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆแล้วมาเจอเอาเรื่องอย่างนี้เข้าด้วยจึงควรอดทนพอพ้นหมู่บ้านออกมาแล้วทนไม่ไหวจึงเปิดฝาบาทออกค้นหาดูห่อสำคัญที่เกิดเรื่องกันมาตลอดทางก็ไปเจอเอาห่อเมทเรียนที่เขาแกะห่อใส่บาทด้วยศรัทธาเข้าจึงอุทานขึ้นทันทีว่าโธ่พอคุณเรานึกว่าตัวทรงกลิ่นฟุ้งที่เขาห่อใส่บาตดัดสนดานพระเรานึกโมโหทั้งน้อยใจและเสียใจมาตลอดทาง ที่ไหนได้มันเป็นเม็ดขนุนเน่าด้สามปีกับสี่เดือนนี่เองหรือทำเอาเราจนใจไม่เป็นใจพระกลายเป็นใจอะไรไปแทบไม่ได้สติประคองตัวเสนานพร้อมกับโยนเม็ดขนุนเน่าห่อนั้นลงเล็บเมทุเรนั่นเองลงในคลองข้างท า, างตูมแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงและหายสงสัยในปัญหาทั้งมวลเพียงแต่วิาพากวิจารผลไม้ไปต่างๆตามความรู้สึกว่าขนุนเน่าเมืองนี้ กับขนุนเน่าเมืองเราต่างกันมากขนุนเน่าเมืองเราแม้จะเน่าขนาดเปื่อยและเพียงไรก็ไม่ได้ทรงกลิ่นฉุนมากมายแทบทนไม่ไหวเหมือนขนุนเมือง น, นี้ผู้ใส่บาดแม้ไม่มีเจตนาร้ายต่อพระคงขาดความสังเกตพิจารณาและเอาใจใส่อยู่บ้างจึงหารเอาเม็ดขนุนเน่าจนใช้ไม่ได้มาใส่บาดพระให้ทนดมมาตลอดทางเรื่องเม็ดขนุนเน่านี้ท่านคงเป็นอารมณ์ให้คิดมากพอดู จึงทำให้ระบายให้พระที่ไปด้วยกันฟังในตอนบ่ายโดยตั้งปัญหาขึ้นว่าทําไมจังหวัดนี้กับจังหวัดโนนซึ่งเป็นภาคอีสานอันเดียวกันดินฟ้าอากาศจึงแตกต่างกันมากมายถึงกับผลไม้ชนิดเดียวกันต้องมีกลิ่นต่างกันมากพระองค์นั้นจึงถามขึ้นบ้างว่าอะไรต่างกันและต่างกันอย่างไรท่านตอบก็ขนุนเมืองเราแม่เน่าจนเละชันไม่ได้ยังไม่ได้ส่งกลิ่นอะไรเลย ส่วนขนุนเมืองนี้ดูก็ไม่เห็นสุกจนเละแต่ทามาจึงส่งกลิ่นฉุนนักหนาจนแทบทนไม่ไหวขนุนที่ไหนเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เคยเห็นเลยก็ขนุนที่เขาใส่บาตรมาเมื่อเช้านี้ไงละท่านจะให้ส่งกลิ่นขนาดไหนจนผมทนอมมาวัดไม่ไหวต้องโยนทิ้งลงคลองข้างทางขนุนนี้เขาไม่ได้ใส่บาต ท, ท่านบ้างหรือเพราะท่านเดินออกหน้าผมน่าจะได้นี่ที่เขาใส่บาตเมื่อเช้านี้หรือ นั่นมันไม่ใช่ขนุนท่านโอ้ตายจริงท่านนี่นาจะยังไม่เคยเห็นทุเรียนซะแล้วกระมังนี่นั่นหรือที่ท่านเอาโยนลงคลองน่ะใช่เพราะเหลือจะทนใครจะสะพายไปทําไมองค์นั้นออกอุทานตายตายท่านแย่จริงท่านไม่รู้จักทุเรียนหรือที่เขาใส่บาตเมาาื่อเช้านี้คือทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีค่าสูงสุดในเมืองไทยคนไม่มีสตางไม่มีวาสนาร้องห้าอยากกินก็ไม่ได้กิน ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละนี่เขาอุตส่าห์ใส่บาทมาด้วยศรัทธาจริงๆทำไมท่านโยนทิ้งเสียน่าจะถามผู้อื่นบ้างสักคำก่อนจะโยนของดีทิ้งทั้งทีแล้วกันท่านเคยเห็นทุเรียนมาก่อนบ้างหรืออย่างไรเปล่าเพิ่งจะมาเจอเอามาเช้านี้เองแทบเป็นลมทนไม่ไหวใครจะว่าดีวิเศษขนาดไหนก็ตามจมูกเรามีไม่ยอมให้ใครมาโกหกได้ก็เช้านี้ผมทราบโดยจมูกผมเองขนาดทนไม่ไหวถึงได้โยนทิ้ง แล้วยังจะมาเสกสารว่าเป็นของดิบดีวิเศษอะไรกันอีกเพราะจมูกคนกับจมูกสุนัขมันต่างกันอีทันจมูกสุนัขมันว่าไปอย่างหนึง่งแต่คนฉลาดกว่าสุนัขจะขืนเอาความรู้ของสุนัขมาลบล้างความรู้คนผมไม่เห็นและลงใจด้วยเม็ดพันี้มันตั้งจริงๆไม่ว่าแต่มันจะราคาแพงๆเลยให้เปล่าๆผมยังไม่ยอมรับไม่งั้นจะโยนทิ้งทาไมก็เพราะมันทไนไม่ไหวนั่นเอง จึงต้องหาทางออกด้วยวิธีนั้นท่านองค์นั้นมีแต่ยิ้มขันขันและพูดว่าท่านนี่นาจะเกิดไม่หมดชาดติแล้วเห็นของดีมีค่าก็ไม่ทราบว่าเป็นของดียังหาว่าเป็นของเกไปได้ผมก็หมดปัญญาจะอธิบายอะไรให้ท่านฟังอีกแล้วท่านขนุนเน่าเป็นเพียงยิ้มแต่พูดอย่างหนักแน่นไม่สนใจกับคำพูดยกย่องชมเชยทุเรนขององค์นั้นเลยเท่าที่เรามานี้ท่านผู้อ่านพอจะทราบได้กระมังว่า กรรมฐานป่าแท้ๆท่านยอมฟังเสียงใครเอาง่ายๆเมื่อไรนอกจากไม่ฟังแล้วท่านยังโต้แย้งยืนยันอย่างหนักหน่วงอีกด้วยดังท่านขนุนเน่าเป็นตัวอย่างดังนั้นคนป่าพระป่ากับคนบ้านพระในเมืองจึงรู้สึกต่างกันอยู่มากเพียงเจอทุเรียนก็เข้าใจว่าขนุนเน่าถึงกับโยนลงคลองถ้าเป็นผู้ใช้ความสังเกตพิจารณาบ้างสมกับตาหนิเขา ว, ว่าขาดความสังเกตและความเอาใจใส่ ตัวเองควรอุตสาห์สะพายบาทที่ปิดฝาดีแล้วไปถึงวัดเพื่อถามผู้อื่นดูก่อนจะโ ย, ยนทิ้งอันเป็นลักษณะของความขาดปัญญาความจริงค็น่าเห็นใจเพราะไม่เคยเห็นทุเรียนเนื่องจากอยู่ในป่าการคมนาคมสมัยโน้นผิดกับสมัยนี้อยู่มากจึงไม่มีทางได้เห็นสิ่งแปลกๆเหมือนทุกวันนี้นี่แหละพระป่าเข้ามาในงานนิมนต์ในเมืองหรือในกรุง ต้องเป็นลักษณะพระป่ามาเจอขนนเน่าเข้าจนได้แต่ท่านที่เป็นกรรมฐานประเภทคล่องแคล่วทันสมัยจนเข็ดฟันก็อาจมีสับสนกันไปเหมือนดีกับชัว่วนันแลความคร่ำครึกเกินไปก็ดีความคล่องแคล่วทันสมัยเกินไปก็ดีคงตกอยู่ในความไม่เหมาะสมน่าดูเช่นกันเพราะผิดกับหลักมัชิมาแห่งธรรมที่เป็นความพอดีเหมาะสมโดยแท้แต่คร่ำคลึกแบบนี้ก็น่าสงสาร การสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเท่าที่เป็นมาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเป็นที่น่าเลื่อมใสและให้คติแก่ผู้ฟังสมดังมงคลสูตรบดว่ากาเลนธรรมะสาขะชาเอตมังคลมุตตะมังการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นกิริยาที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชมเนื่องจากเป็นความมุ่งอัดมุ่งธรรมเพื่อประโยชน์จากการศึกษาไต่ถามกันทั้งสองฝ่าย โดยไม่นิยมว่าแกหรืออ่อนพันษารออนี้ผู้เขียนขอชมธรรมสาัาช่าท่านว่าเป็นไปตามทางของปราดที่น่าเลื่อมใสจริงมิได้เป็นไปแบบซึ่งเห็นแล้วเอื่อมระอาและยิ่งนับวันมีมากดาดเดินจนบางท่านเห็นนามสภาประเภทนี้ว่าสภาน้ำลายไหลนองถ้าเป็นสภา ร, รมตามหลักธรรมสาขาชาก็ควรจะมียุติกันด้วยเหตุผลและการยอมรับการกล่าวนี้โดยทราบว่า ชาพุทธเราต่างมีกิเลสด้วยกันแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตธรรมด้วยกันจึงเมื่อทราบดีชั่วประการใดก็นํามาลงจากการติชมของผู้อื่นลําพังเราติชมตัวเองคงไม่สามารถย่างกิเลสความเห็นแก่ตัวให้ไว้ตัวได้บ้างเลยจําต้องอาศัยผู้อื่นช่วยอยู่โดยดีหากเป็นผู้มุ่งชําระสิ่งไม่ดีในตัวจริงแล้วคำติกับคําชมเชยน่าจะถือเอาประโยชน์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องผิดถูกดีชั่วของพระกรรมฐาน ผู้เขียนจึงกล้านํามาลงเพราะหวังประโยชน์จากสิ่งทั้งสองนั้นมิได้ตําหนิเพื่อเหยียบย่ำทําลายแต่อย่างใดการสนทนาธรรมของพระธรรมทานท่านที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันการสนทนาธรรมนั้นท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตะภาวนาซึ่งตนบําเพ็ญมา เริ่มแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นที่บำเพ็ญและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามคันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและปัญญาเป็นขั้นขั้นเช่นเดียวกับสมาธิผู้สงสัยในปัญญาขั้นใดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพิจารณายังผ่านไปไม่ได้ท่านที่เข้าใจหรือผ่านไปแล้ว ก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆไปตามที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจเหมือนภูมิอื่นๆที่ผ่านมาการสนทนาธรรมระหว่างกันและการของพระกรรมฐานรู้สึกรื่นเริงไปตามธรรมขั้นนั้นนั้นเพราะผู้ถามก็ถอดออกจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาอย่างไรบ้างผู้อธิบายก็ถอดถอนจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาเช่นเดียวกันต่างได้พยานหลักฐานความจริงจากการปฏิบัติด้วยกันและเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุด วันหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่งอีกวันหรือเวลาหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาอีกเรื่องหนึ่งสับเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะต่างองค์ต่างปฏิบัติต่างองค์ต่างรู้ในลักษณะต่างๆกันทั้งภายนอกภายในการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีภาษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้น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 ความหวังเข้าใจต่อกันผิดหรือถูกประการใดผู้เล่าหรือใดถามจะดำเนินไปตามความไปตามความถนัดใจที่รู้เห็นมาโดยไม่คิดว่ากลัวจะผิดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้นั้นถามและเล่าให้ฟังด้วยความสนใจและไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าท่านผู้ใดสนทนาและฟัง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 เรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหาการบ้านของเจ้าของปัญหาทันทีที่จะนําไปคบคิดเพื่อแก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่แน่ใจจนกว่าปัญหานั้นเป็นที่สนิทใจไม่แขดไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบายและตนก็เข้าใจถามนั้นจึงจะปล่อยให้ผ่านไปตามธรรมดาผู้ถูกขัดค้านแทนที่จะเสียใจแต่กลับเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นในปัญหาที่ถูกคัดค้านนั้นๆดังนั้น การสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลักษณะนี้จึงน่าจะเกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่าการสนทนาธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการสนทนาที่เป็นฆาศึกหรือทำลายธรรมบทว่ากาเลณะธรรมสะากาชัชะเอตมังคลมุตตมังนั้นน่าจะได้แก่การสนทนาที่ทำให้เกิดกิเลสหรือสนทนาอดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรม แต่นี้กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเองกรุณาจะได้ถือเป็นหลักเกณฑ์ น, นักเพราะคําว่าป่าหรือเถื่อนก็เป็นคําประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเองอะไรจะเกิดประโยชน์โดยทําแก่ตนด้วยวิธีใดควรพยายามตักตวงวิธีนั้นให้เต็มกําลังความเพียรของตนแม้วิธีนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งความสำนิกของใครที่มีกิเลสประเภทชอบติเพื่อยกตนหรือทําลายมากกว่าความเป็นธรรม ก็ไม่สามารถลบล้างวิถีนั้นได้หากสามารถลบล้างได้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญอยู่ในถ้ำกลางเจ้าที่ถีทั้งหลายที่ควรเรียกได้ว่าคลังกิเลสก็ไม่เล็ดลอดมาเป็นศาสดาของพวกเราชาพุทธของพระองค์ได้มีความจริงเท่านั้นชนะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายได้คือชนะตนได้ก็เพราะความจริงชนะโลกได้ก็เพราะความจริงหนีความจริงไปไม่พ้น ผู้มั่นในศาสนาพุทธจึงควรมั่นในความจริงซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีใดก็าตามถ้าทําลงไปกิเลสกลัวและหลุดลอยออกจากใจได้การทํานั้นก็เป็นมงคลแก่ตนแม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่โดยมากพวกเรามากทําตัวให้เป็นมงคลแก่กิเลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัวจึงควรระวังมงคลชนิดนี้ ถ้าคืนให้เป็นมากๆอาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญดังแบบที่ยวโคตโกงขี้ปล้นรีนรถายสมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตนโดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมีบุญมากมีอำนาจวาสนามากรวยเงินกองท้าบุเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอ่านทั้กวันไม่จบแต่ความจริงก็คือมองคลชั่วลมหายใจมงคลดินเหนียวติดศรีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับโดยไม่มีท่าน ผู้รู้ใดสงสัยกันว่านั่นคือมงคลอะไรกันแน่ความจริงการวินิจฉัยมงคลท่านสอนให้วินิจฉัยความเคลื่อนไหวเพื่อการกระทําของตนว่าเป็นไปในทางใดในวันเวลาหนึ่งหนึ่งความเคลื่อนไหวนั้นๆจะเป็นขึ้นที่กายวาจาใจของเราแต่ละรายความเป็นมงคลหรืออัภมงคลซึ่งเป็นส่วนผลจะตามมากับความเคลื่อนไหวนั้นๆอย่างแยกไม่ออกที่ผ่านมากล่าวความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมที่ถูกกับ สุขลักษณะทางใจนับว่าเป็นที่น่ายินดีในวงปฏิบัติที่ท่านสนทนาธรรมตามเยี่ยงอย่างของธรรมส า, าัขฉาซึ่งเป็นผลยังกันละกันให้รื่นเริงตามธรรมกถาเรื่องบรรเทาและกำจัดกิเลสภายในโดยลำดับเวลาศบโอกาสที่ต่างท่านต่างลงมาจากภูเขาและจากป่าอันเป็นที่ให้ความสุขความสำราญทางใจมารวมกันในบางการเวลานั้นเป็นโอกาสอันดีที่ท่านต้องสนทนา ปกิณกะทำต่อกันด้วยความหิวกระหายเพราะนานๆจะมีสักครั้งขั้นเริ่มแรกโดยมากก็เป็นปัญหาของพระที่อ่อนภาษาเริ่มต้นก่อนโดยพระอวุโสเริ่มอารพบทกำหนดรายองค์เป็นผู้ริเริ่มปัญหาก่อนด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาตามที่รู้เห็นมาพอองค์นั้นเล่าจบบางทีพระอวุโสก็ซักและแทกทำลงในระหว่างบ้างเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมธรรมที่ท่านองค์นั้นกล่าวถูกต้องแล้ว ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นองค์นอกนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาของตนก็นั่งฟังในท่าสงบเพื่อฟังอุบายต่างๆจากการสนทนากันระหว่างองค์แรกกับท่านที่คอยให้นัยะตอนที่ท่านสนทนากันนี้เป็นที่ประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่คาดฝันว่าทำที่ทางคนต่างปฏิบัติทางคนต่างรู้เห็นอยู่คนละทิศทางแต่เวลามาพูดขึ้นกลับเป็นทำกลมกลืนกันได้กับที่ตนรู้เห็นมาในบางแขนง เราก็ว่าใจดวงเดียวกันทำแท่งเดียวกันท้งที่ทำก็มีหลายแขนงใจก็มีหลายดวงเพราะต่างคนต่างมีไม่น่าจะมาตรงกันอย่างเหมาะสมเช่นนั้นได้พูดเรื่องพูดผีก็ดีเรื่องเทพก็ดีเรื่องสัจธรรมบางแขนงก็ดีเรื่องอุบายปัญญาบางแขนงก็ดีหรือเรื่องกิเลสชนิดต่างต่างก็ดีท่านเข้าใจกันได้เรากับได้เห็นในขณะเดียวกันฉะนั้นผู้นั่งฟังก็ดีผู้เล่าผู้ถามก็ดี ผู้รับฟังเพื่อวินิจฉัยก็ดีย่อมมีส่วนได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นเช่นเดียวกับท่านชี้แจงให้ตนฟังโดยเฉพาะนอกจากความสามารถอันเป็นเรื่องของสารละลายไปเท่านั้นที่ยิ่งยอนต่างกันจึงอาจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเวลาฟังคาชี้แจงเฉพาะปัญหาที่ยกขึ้นนั้นสามารถอำนวยประโยะน์แก่ผู้ฟังได้โดยทั่วถึงเพราะอยู่ในฐานะที่ควรได้รับเสมอกันดังในตาราว่าพระพุทธเจ้า ทรงกำลังแก้ปัญหาธรมแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ขณะนั้นยังมีผู้ได้รับประโยชน์จนสําเร็จมากผลนิพพานได้ทั้งที่เป็นปัญหาของผู้อื่นและกําลังทรงแก้ปัญหาเพื่อผู้อื่นอยู่ทั้งนี้เพราะทำเป็นศูนย์กลางของโลกจึงสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ควรได้รับโดยไม่เหลือการสถานที่บุคคลที่อยู่ในฐานะควรได้รับการสนทนาธรรมในเวลาที่นั่งอยู่ด้วยกันหลายองค์ย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยทั่วกัน แต่ปัญหามีหลายชนิดมีทั้งเกี่ยวกับภายนอกและภายในเอาประมาณไม่ได้ที่ควรแก่สาธารณก็มีที่ไม่ควรก็มีจึงยากที่จะพูดและฟังโดยทั่วไปได้จะเป็นปัญหาชนิดใดก็ตามผู้เป็นเจ้าของย่อมทราบเองถ้าเป็นปัญหาชนิดที่ควรแก่สาธารณผู้อื่นก็มีโอกาสได้ฟังด้วยถ้าเป็นปัญหาเฉพาะผู้เป็นเจ้าของก็หาโอกาสเล่าและเรียนถามครูอาจารย์โดยลาพังตามความเหมาะสม ปัญหาที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัญหาทางจิตตภาวนาล้วนๆเพราะการบำเพ็ญอยู่เสมอในอิรยาบทต่างๆทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาปัญหาจึงเกิดขึ้นเสมอโดยไม่เลือกอิรยาบทปัญหาหรือทำบางอย่างเมื่อปรากฏขึ้นมาจากใจเจ้าของทราบได้ชัดเจนในขณะนั้นก็มีบางอย่างก็พอแก้ไขได้โดยลาพังไม่ต้องให้ผู้อื่นช่วย บางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาพิจนารนานพอควรจึงเข้าใจและผ่านไปได้เป็นระยะระยะแต่ปัญหาบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วตัวเองไม่ทราบวิธีแก้ไขต้องอาศัยท่านผู้อื่นช่วยแนะนำปัญหาบางอย่างล่อแหลมต่ออันตรายต้องรีบแก้ไขถ้าไม่สามารถแก้ด้วยตัวเองต้องรีบไปหาครูอาจารย์ช่วยแก้ไขขืนปล่อยไว้อาทาให้หลงผิดและเสียไปได้อย่างไรก็ตาม สติปัญญาเป็นธรรมสำคัญทุกกรณีแห่งการแก้ไขหรือส่งเสริมปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนต้องนำสติปัญญามาทดสอบพิจารณาจนเป็นที่แน่ใจทั้งฝ่ายที่เข้าใจว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุผลมิใช่โดยความเข้าใจหรือชอบกับอารมณ์ของตนแล้วก็ยึดถือว่าเป็นถูกก่อนจะยอมรับกันแต่ละปัญหาต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยปัญญาโดยทางเหตุผล ดังนั้นพระกรรมฐานจึงสแสวงหาครูอาจารย์และเคารพเปลือมสายเชื่อฟังอาจารย์มากผิดกับทางปริยัติเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาเป็นปัญหาสําคัญโดยเฉพาะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่เคยผ่านมาแล้วเท่านั้นจะสามารถแก้ได้ผู้ไม่เคยภาวนาแม้ได้ศึกษามามากก็ไม่อาจแก้ได้เพราะปัญหาที่เกิดทางจิตตภาวนาโดยมากไม่ค่อยตรงกับปริยัติที่เคยเรียนมาหากมีแอบแฝงแฝ ง, แงเรียบเรียบเคียงเคียงกันไปนั่นแหละ จะว่าผิดกับปริยัตไปเลยทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าถูกกันทีเดียวก็ไม่เชิงจึงลำบากในการวินิจฉัยหาความจริงอยู่ไม่น้อยสําหรับผู้ไม่เคยผ่านการพูดเช่นนี้ท่านที่ไม่เคยปรากฏและไม่เคยภาวนาอาจไม่เข้าใจหรืออาจหัวเราะ ก, ก็ได้ว่าพูดประภาเถือนๆไม่มีหลักเกณฑ์แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นในวงปฏิบัติสําหรับท่านที่เคยปรากฏจากหลักภาวนามาแล้วพอแย้มออกก็เข้าใจได้ทันที ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงสมาธิกับวงปัญญาต่างกันคำว่าปัญหาเป็นคำกลางๆยังไม่บ่งชัดลงไปว่าปัญหาอะไรบ้างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นในระยะใดบ้างจึงขอชี้แจงไว้พอเป็นแนวทางสำหรับท่านที่เป็นนั ก, กจิตภาวนาเพื่อเป็นข้อคิดเวลาปรากฏกับตัวเองจะพอมีทางแก้ไขโดยอาศัยยึดหลักที่อธิบายไว้เป็นแนวทางทดสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดในวงสมาธิ มักจะเกิดแก่รายที่จิตสงบลงแล้วถอยออกไปรู้สิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องไม่มีประมาณเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากเกินภูมิแห่งขั้นเริ่มแรกของตนที่เริ่มฝึกหัดควรย้อนจิตเข้าสู่ภายในองค์สมาธิเสียไม่ตามวินิจฉัยไค้ครวนสิ่งที่มาปรากฏ น, นั้นต่อไปขณะจิตเข้าสู่ความสงบควรมีสติระวังให้จิตอยู่กับความสงบนั้น ไม่ยอมให้ความผลักดันพาจิตออกสู่ภายนอกเช่นพาเหาะเหินเดินฟ้าเที่ยวชมนรกสวรรค์วิมานหรือความขนองในสมาธิคิดอยากดูจิตของผู้อื่นในขณะที่จิตสงบเหล่านี้เป็นเครื่องเขย่ากาโกนจิตให้กระเพื่อมตัวออกสู่อารมณ์ควรให้จิตเป็นสุขสงบอารมณ์อยู่ในองค์สมาธิคือความสงบในเวลานั้นจะได้ชมความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอะไรรบกวนชวนให้ยุ่งและเกิดปัญหาขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์เพราะยังไม่ใช่การเวลาและฐานะที่ควรจะรู้และได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นเรื่องบาปบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงหรือไม่เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใจแตกหรือโลกภายในใจแตกจึงควรสร้างสมาธิสร้างปัญญาอันเป็นทางรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์และรู้นิพพานให้มั่นคง สิ่งเหล่านี้จะไม่พ้นวิสัยของใจที่ขัดเกลาด้วยดีหรือขัดเกลาดีแล้วไปได้ต้องรู้ประจักษ์ยิ่งกว่าการคาดคิดซึ่งเป็นปัญหาทำลายหัวใจเป็นไหนๆและควรทราบว่าท่านที่มาชี้แจงบาปุลนรกสวรรค์นิพพานให้พวกเราด้เดาวจนหัวเสียไปตามๆกันแบบเด็กขึ้นบนบ้านโดชูชีพด้วยร่มกันแดดกันฝนสิ่งที่ได้รับคือขาหักสลบเหมือดไปพักหนึ่งนั้นท่านรู้ด้วยหลักใจหลักธรรม เป็นเครื่องพาให้รู้ให้เห็นท่านจึงรู้ได้ชัดพูดได้ชัดชี้แจงได้ชัดไม่ผิดพลาดจากความจริงแม้สิ่งนั้นจะมีจริงจากความรู้ความเห็นจริงท่านแต่พวกเรายังดนเดาไม่ถูกสิ่งที่ถูกอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเลวไหลไรสาระและคำปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วก็สร้างกรรม พ, พ่อูนทับถมตัวเองจนหาผลไปไม่ไหวแม้เชนั้นก็ยังกล้าดนเดาและปฏิเสธต่อไปอีกด้วยความลูก คำกร้ำกำมือว่าตายแล้วกว่าศูนเท่านั้นไม่มีอะไรมาคอยรับผลแห่งกรรมเหล่านี้สืบต่อไปอีกโดยไม่ได้คํานึงว่าโลกที่เกิดมาบนว่าทุกข์กันนั้นถ้าเสียงบ่นให้ความทุกข์ทรมานที่ทับถมจนหาทางออกไม่ได้ดังเหมือนเสียงฟ้าเสียงระเบิดแล้วโลกนี้คงตับแตกหัวใจวายตาฉิบหายผลปีกันไปหมดเพราะเสียงระเบิดแห่งความบน่นดังสนั่นแผดเผาทั่วโลกธาตุไม่มีการสถานที่พอให้หายใจได้บ้างเลย แม้ต่างตนต่างบนให้กับทุก์ที่อยู่บนหัวใจของตัวด้วยกันยังไม่ทราบว่ากรรมมีและกรรมให้ผลมาตลอดสายแต่อดีตปัจจุบันตลอดอนาคตไม่มีสิ้นสุดแล้วก็อยากจะหากรรมดีชั่วให้เจอได้ในนรกสวรรค์วิมานหลังไหนกันผู้เขียนก็อยู่ในแดนแห่งทุกข์ด้วยกันจึงไม่มีปัญญาจะแนะบอกวิธีให้เห็นกรรมและผลของกรรมตลอดสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมที่ต้องรับสวยได้นอกจากจะบอกว่า ตัวทุกข์อยู่ที่ไหนตัวกรรมก็อยู่ที่นั่นเท่านั้นใครสิ้นทุกข์ผู้นั้นก็สิ้นกรรมดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ทรงสิ้นทุกข์ไปแล้วกรรมจึงไม่มีอำนาจตามบังคับให้ทรงรับสวยได้เช่นโลกจอมบนทั้งหลายที่กล่าวมาเกี่ยวกับการคิดเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นนั่นคือต้นปัญหาทําลายจิตใจควรระวังยาดวนให้เกิดขึ้นแต่พยายามทําใจให้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งปกปิดกําบังทั้งหลาย หากจะรู้ไปเองปิดไม่อยู่ต้องรู้แน่นอนสิ่งมีอยู่เหล่านั้นไม่ปิดบังตัวเองนอกจากโลกปิดบงังตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบงังโลกมีจกักษุคือตาในเปิดเผยก็เห็นเองสมาธิจิตอาจให้เกิดปัญหาได้หลายทางแต่ปัญญาคือฝังหรือทำนกั้นนั้นปัญหาทุกชนิดพ้นไปไม่ได้ถ้านำมาใช้ต้องเห็นผลทันตา แต่การเริ่มแรกปฏิบัติไม่คนวิตกให้เกิดปัญหาสลับซับซ้อนก่อนปัญหาจะเกิดดังที่กล่าวมาปกติธรรมดาถ้าจิตมีความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่บริกรรมและรวมสงบตัวลงอยู่ด้วยความสงบสุขเท่านั้น mm. ก็ไม่ค่อยเกิดมีปัญหาต่างๆมารบกวนให้จิตฟุ้งซ่านสําคัญที่ชอบคิดไม่มีเหตุผลจึงมาก่อความกังวลใส่ตนอยู่เสมอปัญหาทางสมาธิมีมาก แต่ขอยุติไว้เพียงนี้เพื่ออธิบายปัญหาทางปัญญาต่อไปแต่ก่อนจะอธิบายปัญหาทางด้านปัญญาจะขอเล่าเรื่องผลของปัญหาทางสมาธิที่อบรมดีแล้วให้ท่านฟังพอเป็นคติต่อไปเพราะภูมิสมาธิและปัญหาต่างๆที่เกิดจากสมาธิของรายที่มีจิตผาดผลเมื่อฝึกอบรมถูกทางแล้วย่อมใช้ทําประโยชน์ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางผิดธรรมดาดังที่เคยทราบจากประวัติท่านอาจารย์มั่นเป็นต้น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีจิตผาดโผนในขั้นฝึกทรมานและเป็นจิตอาชาในหลังจากท่านฝึกดีแล้วแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นผู้หญิงซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมมาจากท่านในขั้นต้นขณะนี้หญิงคนนั้นเป็นอุบาสิกานุ่งขาวผมขาวแล้วและยังมีชีวิตอยู่จิตของแกมีนิสัยผาดโผนคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นอยู่หลายแนง ซึ่งพอจะนำมาลงไว้เป็นข้อคิดแก่ท่านนักปฏิบัติได้พิจารณาหาสาระเท่าที่ควรเป็นได้สมัยแก่ยังเป็นสาวท่านอาจารย์มั่นเคยไปจำารรษาอยู่ที่บ้านแก่หนึ่งพรรษาพร้อมพระเนนเป็นปจำนวนมากทราบว่านับแต่ตั้งบ้านนั้นมาเพิ่ง ม, มีพระมาอยู่จำพรรษาราว 40-50 ถึงองค์คราวนั้นเองพระเถรานุเถระที่มีอายุพรรษามากซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีมาจาพรรษาด้วยหลายองค์ องที่มีความรู้ทางประกิตตวิชารู้วรจิตของคนอื่นก็มีและทําหน้าที่ช่วยดักจับพระที่ชอบขโมยเก่งๆองเล่าเปิดจิตพระที่ชอบขโมยคิดออกนอกลู่นอกทางองเล่ปิดอีกด้วยคือก่อนท่านจะแสดงธรรมอบรมพระในเวลากลางคืนบางครั้งท่านสั่งพระองค์ที่มีความสามารถในทางประกิตตวิชานั้นว่าวันนี้ท่านช่วยผมปราบขโมยหน่อยนะ คณะเทศผมไม่คพอมีโอกาสดักจับขโมยเหล่านี้แม้จับได้ก็ไม่ถนัดดังที่คอยซุ่มดักจับอยู่ที่ประตูมุ้งและเปิดคอยกำหนดจิตดักจับจิตที่คิดต่างๆของผู้อื่นอยู่โดยเฉพาะไม่มีงานอื่นเข้ามาแทรกมและปิดเนื่องจากผมทําหน้าที่แสดงธรรมไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นกว่าจะย้อนจิตมาตรวจจับขโมยก็รีบไปกว้านเอาอะไรแล้วรีบกลับมาซะก่อนเรื่องจึงมักจะเย็นไปไม่ได้คาหนังคาเขา จึงขอให้ท่านช่วยจับให้ได้คาหนังคาเขาให้หน่อยขโมยพวกนี้เก่งนักคอยด้อมออกเวลาเรามีธุระจาเป็นคอยดักเอาตัวเก่งๆที่ฉลาดให้ได้พอสั่งเสร็จก็เริ่มแสดงธรรมต่อไปโดยไม่สนใจกับอะไรอีกสักประเดี๋ยวขโมยก็ด้อมออกเที่ยวเพ่นผ่านตามเคยและก็ได้ยินเสียงท่านองค์ทาหน้าที่ปราบทักขึ้นในเวลาต่อมาว่าท่านองค์นั้นคิดอะไรอย่างนั้นท่านอาจารย์หยุดเทศชั่วคราว และช่วยเสริมการปราบของท่านองค์นั้นว่ามันต้องอย่างนั้นจึงจะทานกับพวกพันนี้ที่แสนรวดเร็วแล้วก็แสดงธรรมต่อไปสักครู่ต่อมาขโมยรายใหม่ก็โผล่ออกมาอีกท่านองค์ปราบก็ทักอีกว่าท่านองค์นั้นคิดอะไรอย่างนั้นล่ะจงกําหนดจิตให้อยู่กับตัวสิอย่าส่งจิตออกไปคิดเรื่องต่างๆอย่างนั้นมันผิดขโมยก ล, กลับกลัวท่านและเขตหลาบไม่กล้าออกเที่ยวเป็นผ่านเหมือนแต่ก่อนท่านทักไม่กี่ราย ชวนผู้ร้ายก็สงบลงเห็นกับตาแต่บางรายกลับกลัวท่านมากทั้งในขณะนั้นและวาระต่อไปไม่กล้าสรงจิตออกเที่ยวนักเหมือนแต่ก่อนนี่ท่านสั่งให้ทําเป็นครั้งคราวส่วนจะมีความหมายอย่างไรบ้างนั้นพวกเราทราบไม่ได้เพราะท่านไม่บอกแม้องที่เคยช่วยท่านถ้าท่านไม่สั่งก็ทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นราวกับว่าไม่รู้อะไรแต่พระเนร์ก็กลัวท่านมากรองท่านอาจารย์ลงมา นี่เขียนออกนอกลู่นอกทางยิ่งกว่าขโมยพระเสอีกจึงขอย้อนกลับเข้ารอยเดิมที่วางแนวเอาไว้หญิงสาวคนนั้นก่อนที่จะเริ่มฝึกหัดภาวนาคนหนึ่งจากท่านอาจารย์ไปจำจรรษาที่นั้นและแกก็เคยไปวัดกับชาวบ้านอยู่เสมอท่านจึงสั่งให้ทําภาวนาและแนะวิธีให้ไปทําที่บ้านได้ผลอย่างไรให้ออกไปเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้อธิบายต่อให้